15, สีสิบห้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพุลสมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอปรักษก และครุปคนไทยโดยมากคงเคยได้อ่านในหนังสือเก่าต่างๆที่แต่งตามความเชื่ออันน่าจะได้มาจากคติความเชื่อเก่าแก่ของอินเดียว่าได้มีอยู่ในโลกนี้ความเชื่อเช่นนี้น่าจะมีมาเก่าก่อนพุทธกาลจึงได้ติดมาในคำพีพระพุทธศาสนาชั้นบาลีด้วยเหมือนกันจนถึงจัดไว้เป็นหมวดหนึ่งดังที่เล่าไว้ในหนากสั่งยุตว่ากาเนิดนาค มีสี่คือนาคเกิดจากฟองไข่นาคเกิดจากคันนาคเกิดจากเท่าใครนาคเกิดขุดขึ้นอย่างเทพหรือสัตว์นรกนาคเหล่านี้ประณีต ก, กว่ากันขึ้นไปโดยลําดับนาคโดยมากตัวหมองูและครกต้องคอยซ่อนกายซ่อนตัวอยู่เสมอแต่นาคบางพวกคิดว่าตนมาเกิดเป็นนาค ก, ก็เพราะเมื่อชาติก่อน มีความประพฤติดีบ้างชั่วบ้างทั้งสองอย่างถ้าบัดนี้ประพฤติสุจริตก็จะพึงไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติต่อไปจึงตั้งใจประพฤติสุตริตกายวาจาใจรักษาอุโบสถศีลหน้าผู้รักษาอุโบสถนี้ย่อมปล่อยกายตามสบายไม่กลัวหมองูหรือครุฑจะจับเหตุที่ให้ไปเกิดเป็นหน้าเพราะกรรมสองอย่างดีบ้างชั่วบ้าง และเพราะปรารถนาไปเกิดในกำเนิดเช่นนั้นเพื่อชอบใจว่านาคมีอายุยืนมีวันละงามมีสุขมากบางทีชอบใจตั้งปรารถนาไว้ดังนั้นแล้วก็ให้ทานต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นนาคสมความปรารถนา สุบันหรือที่เรียกว่าครุตก็มีติดมาเป็นคู่กันดังที่ได้กล่าวไว้ในสุปันนสังยุคว่ามีกำเนิดสีและประณีตกว่ากันตามลำดับเช่นเดียวกันเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นครุตก็เช่นเดียวกันข้อที่กล่าวไว้เป็นพิเศษก็คืออำนาจจับนาคครุกย่อมจับนาคที่มีกำเนิดเบียวกบตนและที่มีกาเนิดต่ำกว่าได้จะจับนาคที่มีกาเนิดสูงกว่า ได้ไหมมีอธิบายว่านาคที่ครุบจับไม่ได้นั้นมีเจ็ดจำพวกคือหนึ่งนาคที่มีกําเนิดประนีต ก, กว่า 2. นาคประเภทกรรมพลัสดรคือนาคเสนาบดีหรือนาคแม่ทัพสานาคผู้เป็นราชาชื่อว่าตตารัตสีนาคผู้อยู่ในสี่ทันดรสมุทรทั้งเจ็ห หน้าผู้เร้นอยู่ในแผ่นดิน 6. หน้าผู้เร้นอยู่ในภูเขา 7. หน้าผู้อยู่ในวิมานไม่ได้กล่าวว่าครุตรักษาอุโบสถเรื่องหน้าได้มีกล่าวเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายแห่งในบาลีวินัยมหาวัช ได้เล่าถึงพญานาคมาแผ่พังพานเป็นร่มกันฝนถวายพระพุทธเจ้าในประถมโพธิการความย่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุติสุขณกวงไม้มุจลินคือไม้จิ7วันในสมัยนั้นมหาเมฆที่ไม่ใช่การตั้งขึ้นฝนตกพรมเจือด้วยลมหนาวทั้งเจ็ดวันนาขราชชื่อว่ามุจลิน ออกจากพกของตนเข้ามาวงพระกายของพระองค์ด้วยขนดเจ็ดรอบแผ่พังพานปกเบื้องบนเพื่อป้องกันฝนและลมไม่ให้ถูกพระกายครั้นฝนหายแล้วคลายขนดออกจำแรงเพศเป็นมานกมายืนเฝ้าณนะที่เฉพาะพระพักพระองค์ทรงทราบแล้วได้ทรงเปล่งอุทานมีความว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคล ผู้พอใจแล้วได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกําหนับคือความล่วงการทั้งหลายเสียได้เป็นสุขความกําจัดอัสมิมานะคือความถือว่าตัวตนให้หมดได้เป็นสุขอย่างยิ่ง ในอัตถกาถาและในปฐมโพธิกาถายังได้กล่าวถึงพระพธิสัตว์ลอยถาดทองคือท่านเล่าไว้ว่าในเช้าวันที่จะตรัสรู้ได้ส่งรับข้าวมทุ ป, ปายาธพร้อมทั้นถาดทองจากนางสุชาดาสเสวยแล้วได้ทรงลอยถาดทองไปในแม่น้ำเนรัญชราถาดทองได้ลอยทวนน้าไปจมลงณที่วนตรงพบของกาลนาคราช ผู้กำลังหลับอยู่ถาทองได้ลงไปซ้อนอยู่ภายใต้ถาสามถา ท, ที่ตั้งซ้อนกันอยู่แล้วจึงนับเป็นถาที่สี่หมายถึงว่าในพัทธะกัปนี้ได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วสามองค์ปัจจุบันอีกหนึ่งพระองค์รวมเป็นสี่และจะตรัสในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์ เสียงถาดใหม่กระทบถาดเก่าได้ปลุกพญานาคให้ตื่นขึ้นอุทานว่าวันวานนี้พระจินสีอุบัติในโลกพระองค์หนึ่งแล้วซ้ำบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่านี่คือคำพูดจากปฐมสมโพธิกถาครั้นแล้วก็หลับไปอีกท่านว่าพญานาคนี้มีปกติหลับอยู่กับกันพระพุทธเจ้าจะตรัสพระองค์หนึ่ง จึงตื่นขึ้นครั้งหนึ่งด้วยเสียงกิ๊กของถาที่ลอยมาจมไม้และตื่นอยู่เป็นครู่เดียวแล้วก็หลับต่อไประยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละพระองค์นั้นนานมากแต่ดูเหมือนว่าปัญนาานี้จะรู้สึกว่ามาตรัสวันละพระองค์คล้ายกับว่าเดี๋ยวมาตรัสเดี๋ยวมาตรสดูเร็วมากดูก็น่าคิดว่าความหลับทาให้ไม่รู้การเวลา หลับไปกี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เหมือนครู่เดียวไม่มีความรู้ว่านานเท่าไรในความหลับไม่มีความรู้อะไรอะไรเพิ่มขึ้นทั้งสิ่งความหลับโดยปกติเป็นความพักผ่อนแต่ถ้าหลับมากเกินสมควรก็เป็นความโง่ทำชีวิตให้เป็นหมันคือเปล่าประโยชน์ท่านจึงใช้ความหลับให้เป็นชื่อของความหลงหรือความประมาท ฉะนั้นเมื่อพูดว่าหลับหรือหลับไหลก็หมายความว่าหลงประมาทดูตามคติธรรมโลกนี้หลับอยู่เป็นนิดพระพุทธเจ้ามาตรัสทีหนึ่งก็ส่งปลุกให้ตื่นขึ้นทีหนึ่งครั้นสิ้นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็หลับไปอีกชั่วกลับกันในบาลีพระสูตรจะตกกันในกายได้กล่าวถึงเรื่องที่ตรัสสอนให้แผ่เมตตา ไปในตระกูลพญา ง, งูทั้งสี่ปรารบเรื่องพิษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพพิษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าภิษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังพญา ง, งูทั้งสี่เป็นแน่ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปก็จะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภาพตระกูลพญา ง, งูทั้งสี่คือวิรูปักษ์ เอราบทตฉบพยาบุตรกันหาโคตมกะจึงตรัสอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไ ป, ปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองรักษาบ้องกันตนในชาดกเรื่องภูริทัตรเล่าถึงภูริทัตผู้เป็นโอรสของพญานาคชื่อว่าทตรัตขึ้นมารักษาอุโบสถในแดนมนุษย์ถูกหมองูผู้รู้มนจักงูชื่อว่าอาลัมพายนะ เป็นชื่อของมนและเป็นชื่อของหมอ ง, งูนั้นด้วยจับไปแสดงให้คนดูจนถึงให้ไปแสดงหน้าพระที่นั่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพี่ชาชื่อว่าสุทัศน์จึงได้ขึ้นมาช่วยแก้ไขให้หมอ ง, งูนั้นยอมปล่อยตัวประวัติของภูริทัตเกี่ยวดองอยู่กับมนุษย์ส่วนหนึ่งคือมารดาของภูริทัศตชื่อว่าสมุทธชา เป็นทิดาของพระเจ้ากรุ่มพาราณศีองค์ก่อนกับ น, งนางนาคตั้งแต่ยังเป็นพระราชโอรสและพระราชบิดาทรงสั่งให้ไปอยูป่ป่าเพราะเกรงจะชิง ร, ราชสมบัติพระราชโอรสไปทรงได้นางนาคเป็นพระชายามีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครพรหมทัตทิดาองค์หนึ่งชื่อว่าสมุตตชาต่อมาพระราชโอรส ได้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วนางสมุทตชาได้ไปเป็นอัครมเหสีของราชาแห่งนาคนามว่าทตารัตมีโอรสสี่องค์ภูริทัตเป็นโอรสองค์ที่สี่พระเจ้ากรุงพาราณสีที่หมอ ง, งูอาลัมพายะนั้นนำภูริทัตไปให้แสดงถวายนั้น คือพระเจ้าสาครนพรหมทัตผู้เป็นเชษ้อทัของนางสมุทตชามารดาของภูริทัตจึงเป็นพระมาตุละหรือลุงของภูริทัตนั่นเองตอนที่พญาทต ร, รัดนาคราชจะได้นางสมุตชามีเล่าว่าเมื่อส่งทูตไปขอทีแรกพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้เป็นพระราชบิดาไม่ยอมยกให้พญานาคนั้น ทรงส่งกองบริวารนาคมาขูโดวยวิธีให้มาปรากฏตัวเป็นงูเต็มบ้านเต็มเมืองพาดห้อยย้อยอยู่ในพระราชนิเวศ ต, ตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงภายใต้ในที่ทั้งปวงพาดห้อยย้อยอยู่ในบ้านของเจ้าบ้านเชาเมืองทั้งหลายโคดหรือเลื้อยอยู่ตามถนนหนทางทั่วไปพระราชาจึงทรงจำยอมยกพระธิดาให้แก่พญานาคเรื่องชาดกเป็นเรื่องเกา่า ก่อนพุทธกาลแสดงว่าเรื่องนากับมนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวดองกันได้มีเล่ามาแต่ดึกดำบรรติดเข้ามาในคมพีพระพุทธศาสนาและยังติดเข้ามาในตำนานโบ ร, ราณของไทยตลอดถึงประเทศใกล้เคียงประวัติของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์มีเล่า ว, ว่ามีพระมารดาเป็นนางนาคทำนองเดียวกับเรื่องในชาดนี้ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีคนเผานาค มักเข้าใจกันในบรนี้ว่าเรื่องนาคที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนดังเรื่องนาคที่ว่าจาแรงมาโบสถก็น่าจะเป็นคนเผ่านี้เพราะยังมีความเป็นอยู่แบบคนป่าผิดจากมนุษย์ที่จเจริญทั่วไปจึงยังไม่ยอมรับให้เป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังมีข้อหน้าคิดว่าศิลปะวัตถุของไทยบนลงังคาและส่วนต่างๆของโบสถ์วิหารเป็นต้นเช่นช่อฟ้าไบรากา ก็ทำเป็นรูปนาคหรืองูดัดแปลงให้มีศิละปะงดงามเหมาะที่จะประดับในส่วนที่ต้องการนั้นๆจะได้ยกเขานิยมมาจากเรื่องนาคที่มาพาดห้อยย้อยอยู่ยั้วเยืย้อตามประสาทราชมนเทียนเป็นต้นในชาดกนี้หรือไม่กองทัพนาคพากันมาทำอย่างนั้นเพื่อขูให้กลัวเพื่อจะได้ยอมยกพระธิดาให้นึกดูภาพไปตรงๆก็น่ากลัวแต่เมื่อดูอีกทางหนึ่งก็เป็นทัศนียภาพ คือน่าดูข้ อ, อยืนยันก็คือโบสถแบบไทยถ้าไม่มีช่อฟ้าใบร์กาเป็นต้นก็ดูไม่งามเพราะไม่มีงูขึ้นไปเลือ้อยพาดอยู่จะน่าดูน่าชมก็ต่อเมื่อได้ประกอบสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นเพราะความเคยชินก็ได้เรื่องนาคเรื่องงูยังแถมติดเข้ามาในตำราทำนายฝันอีกด้วยเกี่ยวด้วยเรื่องคู่ ก็เขาเดียวกับในชาดกนี้ในบาลีวินัยมหาวัฒนเล่าถึงเรื่องนาคจำแรงมาบวชมีความว่านาคหนึ่งอึดอัดรังเกียจในชาติกำเนิดนาคของตนคิดว่าทำชะไหนจะพ้นไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วได้เห็นว่า พระสมณะสากยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมอันสมควรสม่ำเสมอเป็นพรหมจารีมีวาจาสัตว์มีศีลมีธรรมถ้าได้บวชในพระเหล่านี้ก็จะมีพลาในสง์ให้พ้นชาติกะเนิดนาคไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วดังปรารถนาเป็นแน่แท้ครั้นคิดเห็นดังนี้แล้วจึงจำแรงเพศเป็นมานกคือชายหนุ่มน้อยเข้าไปหาพิสุทั้งหลาย ขอบวชพิสุทั้งหลายก็ให้มานกจำแลงนั้นบรรชาอุปสมบทนาคนั้นอยู่ในกุฏิทายวัดกับพิสุรูปหนึ่งตกถึงเวลาใกล้รุ่งพิสุรูปนั้นลงจากกุฏิไปเดินจงกรมในที่แจ้งฝ่ายนาคเมื่อพิสุออกไปแล้วก็ปล่อยใจไม่หลับไปร่างจำแลงก็กลับเป็นงูใหญ่เป็นกุฏิขนาดล้นออกไปทางลต่าง พิสุร่วมกุติเดินจงกรมพอแล้วกลับขึ้นกุติผลักบานประตูจะเข้าไปมองเห็นงูใหญ่นอนกดอยู่เต็มห้องขนดล้นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจร้องลั่นขึ้นพิสุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้เคียงก็พากันวิ่งมาไต่ถามว่ามีเหตุอะไรพิสุนั้นได้เล่าให้ฟังขณะนั้นนาตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะอก็จำแรงเพศเป็นคนครองกาสาวพัด นั่งอยู่บนอาสนะของตนพวกพิสุถามว่าเป็นใครก็ตอบตามจริงว่าเป็นนาคและเล่าเหตุที่จำแรงเพศมาบวชโดยตลอดพวกพิสุได้นำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสให้ประชุมพิสุสงฆ์แล้วตรัสแกนาคว่าเกิดเป็นนาคไม่มีโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้วจงไปรักษาอุโบสถ ในวัน 14-15 ี่สิบห้าคัและในวันแปคัแห่งปากนั้นเถิดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะพ้นจากชาติกำเนิดนาคและจะได้เป็นมนุษย์โดยเร็วนาคได้ฟังดังนั้นมีทุกเสียใจว่าตนหมดโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวิ น, นัยนี้น้ำตาไหลร้องให้หลีกออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่า มีเหตุปัจจัยสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตนคืออยู่ร่วมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและปล่อยใจสู่ความหลับพระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุทรงบัญญัติห้ามอุปสมบทสัตว์เบริรชานถ้าอุปสมบทแล้วให้นาสนะเสียเรื่องนาคจำแรงมาบวชนี้ท่านว่าเป็นต้นเหตุให้ต้องถามในพิธีอุปสมบทว่าเป็นมนุษย์หรือ หรือในบาลีว่ามนุษย์โศ ส, สิมีอธิบายว่าเหตุสองประการที่ทำให้น่าปรากฏภาวะของตนดังกล่าวนั้นหมายถึงเหตุที่น่าจะต้องปรากฏตัวเป็นงูอยู่เสมอแต่เมื่อกล่าวถึงการเวลาทั้งหมดที่น่าจะต้องปรากฏตัวก็มีอยู่ห้าประการคือหนึ่งเวลาปฏิสนธิ 2. เวลาลอกคราบสา เวลาอยู่กับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน 4. เวลาปล่อยใจเข้าสู่ความหลับ5เวลาตายในเมืองไทยเรียกผู้จะบวชว่านาค ก, กันทั่วไปการทําขวัญเมื่อก่อนบวชก็เรียกว่าทําขวัญ น, นาคผู้ที่จะบวชมีคำเดิมเรียกว่าอุปสัมปทาเปคะแปลว่าผู้เพ่งหรือผู้มุ่ง หรือประสงค์อุปสมบทแต่เป็นคํายาวคงเรียกกันไม่ถนัดเรียกว่านาคง่ายกว่าและเมื่อเข้าพิธีอุปสมบทแต่ก่อนมาก็เคยใช้คําว่านาคหรือนาโคเป็นชื่อของผู้บวชในกรรมวาจาด้วยเลยส่วดกรรมวาจาในพิธีอุปสมบทก็เรียกว่าสวดนาค ก, กันมาจนถึงบัดนี้ชื่อผู้บวชว่านาโคนี้คงเอาอย่างละจาก อนุดีกาชื่อวิมติวิโนธนีซึ่งอนุดีกาเป็นคกำภีชั้นสี่รองมาจากดีกาอตตกถาและบาลีโดยลำดับขึ้นไปในอนุดีกานี้วางอุทาหอนไว้ว่าต่างว่าอุปสัมปทาเปคะชื่อนาคะอุปชายะชื่อติดสะให้สวดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์ในปูนหลังจึงวางแบบกรรมวาจาอุปสมบท ให้ใช้ชื่อยืนที่ขนานชื่อผู้บวชว่านาคะทุกครั้งไปทีเดียวอุปชัยยะมีชื่อมาคตรมาก่อนแล้วว่าอย่างไรก็ตามแต่ในพิธีอุปสมบทใช้ว่าติดสะผู้บวชที่ใช้ชื่อว่านาคะในพิธีอุปสมบทนั้นครั้งอุปสมบทเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาคตรของนวากาพิคุเป็นอย่างอื่นไปวิธีนี้ได้ใช้มาก่อนสมัยปัจจุบัน ซึ่งเหมาะในสมัยที่ความรู้ภาษาบาลียังไม่มีแพร่หลายต่อมาเมื่อการศึกษาภาษาบาลีแพร่หลายจึงเลิกใช้เปลี่ยนมาใช้ตั้งชื่อมรดของผู้บวชเฉพาะคนไปที่เรียกว่าฉายาและใช้ชื่อมครคกของปัจฉายะเฉพาะรูปเหมือนกันเพราะเมื่อมีความรู้ภาษาบาลีหรือที่เรียกว่าภาษามรดกก็สามารถผูกคำขึ้นใช้สวด ให้ถูกต้องเฉพาะรายรูปไปได้ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพนหนวยอยู่ได้ทรงใช้ในคณะธรรมยุทธ์ขึ้นก่อนต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพยาวชิยรยานวโรรพทรงบริหารการคณะสงฆ์การใช้วิธีปัจจุบันจึงได้แพร่หลายออกไปในคณะสงฆ์ทั้งหมด ในครั้งพุทธกาลผู้บวชมีชื่อเป็นภาษามาคตหรือภาษาสายเดียวกันอยู่แล้วก็ใช้ชื่อเดิมของตนได้ทีเดียวดังเช่นเมื่อท่านราธะมาขอบวชก็ใช้ชื่อของท่านนั้นแหละไม่ต้องตั้งให้ใหม่ท่านพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสสะเป็นอุปช้ายะของท่านราธะก็ใช้ชื่อของท่านนั้นเหมือนกันการใช้ชื่อในครั้งพุทธกาลจึงใช้ชื่อเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่มีปัญหาเรื่องชื่อต่อเมื่อพระพุทธศาสนาแร่ออกจากชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันมาสู่ประเทศอื่นซึ่งใช้ภาษาต่างออกไปเช่นไทยปมา่ามอนจึงเกิดมีปัญหาเรื่องชื่อขึ้นต้องตั้งขึ้นใหม่ในเวลาอุปสมบทเพราะจะต้องสวดด้วยภาษาบาลีหรือมคตแต่จะไหนชื่ออุปชัยยะจึงใช้ว่าติดสะ คล้ายชื่อเดิมของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชายยองค์แรกส่วนชื่อผู้บวชไม่ใช้ราภักซึ่งเป็นองค์แรกที่บวชด้วยวิธีสวดกรรมวาจาไปใช้ว่านาคปัญหานี้ถ้าคิดว่าท่านผู้แต่งวิมติวิโนโนียกคาขึ้นเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็หมดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามคำว่านาคได้เกี่ยวเข้ามาในพิธีอุปสมบท ในกัมพีและในเมืองไทยเป็นนั้นว่านาคได้ฝากชื่อไว้มากคนไทยผู้ได้เคยบทเรียนมาแล้วย่อมได้เคยเป็นนาคมาก่อนด้วยกัน พวกคนทันยังมีพวกเทพหมู่คันท พ, พะที่เรียกว่าคนทัพหรือคนทันรวบรูมไม่ในคันท พ, พะสั่งยุตว่าเทพที่เรียกว่าพวกคันท พ, พากายมีหลายประเภท คือเทพพวกหนึ่งอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีแก่นหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกระพีหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีเปลือกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกระเทาะเปลือกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีใบหอมเทพพวกหนึ่ง เกิดอาศัยต้นไม้ที่มีดอกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีผลหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรสหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่หอมทั้งต้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในเทพพวกนี้คือประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนโสุจริต และตั้งความปรารถนาว่าตายไปขอให้ไปเกิดร่วมกับเทพพวกคันธภกายเพราะชอบใจว่าเทพพวกนี้มีอายุยืนมีวรรณะงามมีสุขมากและเมื่อปรารถนาจะไปเกิดโดยเฉพาะในเทพพวกไหนก็ทำทานสิ่งนั้นเช่นปรารถนาจะไปเป็นเทพที่เกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอม กให้รากไม้ที่หอมเป็นทานหรือว่าให้วัตถุอื่นๆที่เรียกว่าทานวัตถุเป็นต้นว่าข้าวน้ำผ้ายานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลยที่นอนที่อยู่โคมไฟโดยสรุปเหตุที่ให้ไปเกิดคือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจ และตั้งความปรารถนากับทำทานอีกเทพเหล่านี้เกิดอาศัยต้นไม้ดูเป็นพวกรุกขเทวดาจะอยู่อย่างไรมีความสุขอย่างไรยังไม่พบอธิบายจัดได้ว่าเป็นสุกติภูมิเพราะเป็นผลของความดีเรื่องรุกขเทวดาปรากฏว่าได้เป็นที่เชื่อกันมานานจนถึงมีเล่าไว้ในนิทานต้นบัญญัต ที่เหตุตัดห้ามพระพิสุตัดต้นไม้ในบาลีวินัยมีเรื่องเล่าว่าพิสุชาวเมืองอาราวีตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างให้นำไม้ไปสร้างกุฏิมางเอิญพิสุรูปหนึ่งจะตัดต้นไม้ที่มีเทวดาเกิดอาศัยเทวดานั้นได้ร้องห้ามขึ้นว่าพิสุประสงค์จะทำที่อยู่ของพิสุก็ขออย่าตัดที่อยู่ของเทวดา พิสุนั้นไม่เอื้อเฟือตัดต้นไม้ได้ถูกแขนของทารกของเทวดาเทวดาคิดจะปลงชีวิตพิสุแต่กลับคิดว่าจะทำดังนั้นไม่ควรสมควรจะไปเฝ้ากราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเฝ้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสาธุการแก่เทวดาในการที่ไม่ปลงชีวิตพิสุถ้าปลงชีวิตพิสุ ก็จะประสบสิ่งไม่เป็นบุญมากตรัสสั่งให้เทวดาไปอยู่ในต้นไม้ที่ว่าอยู่ในโอกาสแห่งหนึ่งครั้งนั้นพวกมนุษย์พากันติดเตียนว่าพวกพระสมณะสากยบุตรมาตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างมาเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพระพุทธเจ้าได้ส่งยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่าพวกคน ยังเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะจึงตรัสห้ามพิษุพรากภูตคามคือห้ามตัดต้นไม้เป็นต้นในนิทานต้นบัญญัตินี้ได้ความสำคัญอย่างหนึ่งว่าคนในสมัยนั้นมีไม่ใช่น้อยที่เห็นว่าต้นไม้มีชีวะชนิดที่มีอินทรีย์เดียวตัดต้นไม้ก็เท่ากับฆ่าสัตว์น่าสังเกตว่าข้างต้นเล่าเรื่องเทวดา ข้างปลายกล่าวถึงมนุษย์ติเตียนด้วยเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวะหาได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีเทวดาไหมอาจจะมีคนเข้าใจกันอยู่ทั้งสองอย่างก็ได้หรืออาจจะเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คือเทวดากับสิ่งที่เรียกว่าชีวะในต้นไม้ต่างกันหรือเป็นอย่างเดียวกันแต่ทุกฝ่ายก็คงเชื่อว่ามีชีวะอยู่ในต้นไม้ จะเป็นชีวะของเทวดาผู้สิงสู่อยู่หรือชีวะของต้นไม้นั่นเองโดยตรงก็ตาอินทรีย์ทั้งหมดที่แสดงไว้สำหรับมนุษย์มีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมนักที่แปลกันว่าใจส่วนต้นไม้ที่ว่ามีอินทรีย์เดียวนั้นมีคำอธิบายว่าท่านกล่าวหมายเอากายอินทรีย์ หรืออินทรีย์คือกายและคำในบาลีนิทานต้นบัญญัติเรื่องนี้ที่ว่าพวกมนุษย์มีความเข้าใจต้นหมายว่ามีชีวะนั้นท่านอธิบายว่าคือมีความเข้าใจต้นหมายว่าเป็นสัตว์คำว่าสัตว์บาลีว่าสัตตะสันสกฤตว่าสัตวะมักเข้าใจกันว่าหมายถึงผู้มีใจครอง เมื่อมีอธิบายว่าต้นไม้มีชีวะคือเป็นสัตว์จึงมีที่เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจแต่คำว่าสัตว์มีคำแปลหลายอย่างแปลว่ามีหรือเป็นเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกับคำว่าผูตัแปลว่ามีว่าเป็นเรียกคนหรือเดรัจฉานว่าผูตั แปลว่าผู้มีผู้เป็นเรียกต้นไม้ว่าภูตคามท่านในแปลว่ากองของภูตะเหตุที่เรียกต้นไม้ว่าภูตคามหรือแม่เรียกว่าสัตว์พึงเห็นได้ว่าเพราะมีกายยินรียซึ่งมีเกิดมีแก่มีตายเช่นเดียวกับกายยินรียของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานต้องด้วยลักษณะของสัตว์ หรือผู้ตะในความหมายว่ามีว่าเป็นอันเป็นชีวะชนิดหนึ่งแต่ไม่เพิงเห็นว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจฉะนั้นผู้ที่ถือศีลเว้นจากปานาติบา ค, คือปลงปานะเช่นสนมณเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงผู้สมาทานศีลห้าจึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขาดในวินัยของพิสูเอง ก็มีพระบัญญัติห้ามปลงป่านาไว้สิกขาบทหนึ่งห้ามตัดโค่นปูตคามไว้อีกสิกขาบทหนึ่งถ้าประสงค์ให้ต้นไม้เป็นป่านะด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบทคำว่าป่านะแปลทับคาลงไปในรูปสันสกฤตว่าสัตมีปราณหมายถึงมีลมหายใจดังที่เรียกว่ามีลมปราณก็ได้ มีชีวิตอันหมายถึงมีชีวิตจิตใจก็ได้ทั้งในบาลีนิทานต้นบัญยัตินั่นเองก็อ้างว่าพวกมนุษย์เขาเข้าใจว่าต้นไม้มีขีวะมีอินทรีย์เดียวไม่ได้อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองหรือทรงเห็นอย่างนั้นจึงทรงบัญยัติห้ามภิกษุในสิ่งที่คนส่วนมากเขาถือกันว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมแม้ไม่คิดวิจารไปถึงภาวะที่ลึกซึ้ง คิดแต่เพียงเหตุผลสามัญสิ่งที่เขานับถือเป็นเจดีย์คือเป็นปูชนียวัตถุแม้ตนไม่นับถือก็ไม่กวนไปดูหมินไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะไปตัดทำลายในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรต่างๆว่าในเมืองต่างๆมีเจดีย์ที่เขานับถือกันมากแห่งเจดีย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้หาใช่เป็นเจดีย์อย่างที่เรียกที่เห็นการในเมืองไทยเหานี้ไม่ โดยมากเป็นต้นไม้ถ้าพิสษุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีของเขาเขา้าคงเกิดวิวาทระหว่างลัทธิศาสนาขึ้นแน่แน่พระบัญญัติห้าพิสษุตัดต้นไม้จึงเหมาะสมด้วยประการหนึงปวงในคำพีสามน์เล่าว่ามีธรรมอยู่ข้อหนึ่งสำหรับพวกรุกขเทวดาเรียกว่ารุกธรรมหรือพฤกษธรรม ทำข้อนี้ว่าเมื่อต้นไม้ถูกตัดรุกขเทวดาไม่ทำประตุสจิตคือไม่คิดทำร้ายผู้ตัดและรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาทำข้อนี้ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาตรุกขธรรมข้อนี้เปิดโอกาสให้คนตัดต้นไม้สะดวกขึ้นคิดดูว่าถ้าไม่มีรุกขธรรมคนอาจตัดต้นไม้ลำบาก เพราะจะถูกเทวดาโกรธทำร้ายเอาความขัดข้องของมนุษย์ผู้มีกิจต้องหักร้างถางป่าสร้างบ้านเมืองทำไร่นาและตัดใช้ไม้ทำบ้านเรือนเครื่องใช้สอยต่างๆก็จะเกิดขึ้นเทวดาสันนิบาตน่าจะได้ระลึกถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องตัดใช้ไม้จึงได้ตราลุกธรรมข้อนี้ไว้สำหรับพวกรุกเทวดาทั้งปวงแต่เมื่อเทวดาพากันรักษาลุกธรรม พวกมนุษย์ก็พากันได้ใจตัดต้นไม้เสียหมดเป็นป่าปาไปไม่สงวนต้นไม้ที่ควรสงวนไม่ปลูกทดแทนให้ควรกันก็เป็นเหตุให้หมดไม้หมดป่าทำให้มนุษย์เองเดือดร้อนอีกมนุษย์สนิบาตจึงต้องตราลุกธรรมคือกฎหมายเกี่ยวข้องแก่ต้นไม้สำหรับมนุษย์เพื่อสงวนรักษาต้นไม้และป่า ก็พลอยช่วยให้รุกขเทวดาพากันอยู่เป็นสุขขึ้นเป็นนั้นว่าเทวดากับมนุษย์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเทวดาสันนิบาตออกกฎห้ามรุกขเทวดาคิดทำร้ายมนุษย์ผู้ตัดต้นไม้ฝ่ายมนุษย์สันนิบาตออกกฎห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระบุห้ามไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติในรูปธรรมดังกล่าวของตนของตนอยู่ก็จะอยู่เป็นสุขด้วยกันทุกฝ่าย บ้านเมืองไรนาสาโทก็จะมีเพราะจะหัดร้างทางป่าสร้างทำขึ้นได้ตามต้องการป่าต้นไม้ก็จะมีเพราะจะสงวนไว้และปลูกทดแทนไว้เพียงพอตามต้องการตามที่กล่าวมานี้ได้ว่าไปตรงๆตามที่ท่านเล่าไวแต่ได้กล่าวเกี่ยวยงเข้ามาถึงมนุษย์ยังไม่ได้พูดถอดความสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเทวดาว่ามีอยู่ตามต้นไม้ อันที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องถอดความเพราะความของเรื่องนี้ชัดเจนปล่อยให้อิงอยู่กับเทวดาก็ใช้ได้สำหรับปัจจุบันอยู่แล้วคือถ้าเทวดามีจริงโดยเป็นอทิสมานากายหรือมีกายที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นสิงอาศัยต้นไม้อยู่ก็มีอยู่ได้เพราะมีรูปธรรมสำหรับเทวดาปฏิบัติอยู่นึกดูอีกทางก็ดีเหมือนกัน เพราะจะได้เป็นที่ยังเกรงของมนุษย์บ้างเพื่อจะได้ไม่ตัดต้นไม้กันง่ายๆถ้าเทวดาไม่มีจริงก็ไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนไปจากที่เล่าไว้ยรกปธรรมก็ยังใช้ได้สำหรับต้นไม้คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจิตใจที่คิดทำร้ายคนตัดใครจะตัดก็ไม่ว่าอะไรเท่ากับมีรุปธรรมอยู่เหมือนกันและมนุษย์ ก็ต้องสร้างรุกธรรมสำหรับมนุษย์เพื่อรักษาตาต้นไม้กรุณาติดตามรับฟัง45ราษาของพระพุทธเจ้า